เมื่อสองอาทิก่อนได้มีโอกาสไปประเทศจีนกับท่านตงหมิงเขาได้มอบให้ไปสอนกรรมฐานให้กับคนจีนการอบรมนี้ก็จัดโดยกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนชาวจีนนะ ก็มีกลุ่มที่ศรัทธาในการเจริญสติแบบหลวงพเทียนแล้วก็มีมน์พระน่จาจะเมืองไทยไปสอนบงังมีครั้งหนึ่งก็เชิญอาจารย์กาพลไปด้วยไปสอนกรรมฐานก็จัดค่อนข้างถี่นะปีนึงก็สี่ครั้งห้าครั้ง ครั้งหนึ่งก็แปดคืนเจ็ดวันเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้นพอนสมควรนะคือปฏิบัติตั้งแต่เช้ามดืดแต่ก็ไม่ตื่นเช้าไม่เหมือนเรานะก็ะตื่นประมาณตีห้าแล้วก็เริ่มปฏิบัติจนสองทุ่มครึ่งสามทุ่มไม่มีสวดมนต์นะไม่มี อาพี่จีฟองอะไรก็ปฏิบัติอย่างเดียวคนที่นั่นก็ปฏิบัติกันจริงจังมากคนเยอะคราที่แล้วก็ประมาณ1้0สาคนมีแมชีจากเมืองไทยด้แมชีอูดแมชีนินะไปปฏิบัติกับเขาด้วยคนเยอะเป็นร้อยแต่ว่าไม่ค่อยมีเสียง พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่ ด, ดังที่มีจนวนไม่น้อยก็มากัเป็นคณะยกทีมกันมาจากเชียงไทยก็เป็นสิบคนบางคนก็พาสามีภรรยาพาพี่เขยน้องสภ้ายมาปฏิบัติก็ดูตั้งใจจริงกันดี บางคนก็มาเข้าคอร์สแบบนี้ก็หลายครั้งละสีห้าครั้งละมาสุดท้ายก็เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นก็มีหลายคนพูดคล้ายๆกันว่าช่วงสองสาวันแรกนี่มันทรมานมาก บางคนแค่วันแรกก็ตั้งคำถามในใจแล้วว่ามาทำไมเพราะดูว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแต่ยกมือสร้างจังหวะแล้วก็เดินความเครียดความเบื่อความง่วงหลุมเลา้าแต่ว่าพอปฏิบัติไปทั้งวันที่3าวันที่4ก็ รู้สึกตัวเบาใจเบามีคนหนึ่งบอกว่าวันแรกนี้ก็อยากกลับแล้วไม่รู้ทำทำไมกันแต่ว่าเสียดายโทรศัพท์นะโทรศัพท์มือถือเพราะว่าคนจัดนี่เขายึดหมดนะโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องเขาเก็บไว้ นักปฏิบัติคนนี้เป็นผู้หญิงก็ขอคืนเขาก็ไม่คืนให้บอกว่าจะคืนก็ต่อเมื่อวันสุดท้ายนักปฏิบัติคนนี้ก็เสียดายนะเสียดายโทรศัพท์ก็เลยต้องปฏิบัติต่อไปพอปฏิบัติต่อวันที่2วันที่3ก็เริ่มจับทางได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเกิดวความสงบเกิดวความปิติขึ้นมา แต่ก็มีหลายคนแค่วันแรกเท่านั้นเขาก็รู้สึกสบายรู้สึกว่ามันใจนี่เบารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เริ่มคลำได้ว่าไอความรู้สึกตัวสติมันเป็นอย่างไรมีคนหนึ่งล่ายฟังว่าเขาเคยไปเข้าขอคอร์สเมื่อปีที่แล้วเสร็จจากคอร์สก็ จะกลับบ้านที่บ้านนี่เขาก็มีการนัดหมายว่าจะจะขึ้นศาลกับสามีเพื่ออย่ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ก็บังเอิญน้ําท่วมก็ทําให้การขึ้นทําให้ศาลนี่ก็ต้องเลื่อนไปกไ็การที่ต้องเลื่อนไปหลายวันนี่ก็ทําให้ มีโอกาสได้เอาวิชาสตินี่มาใช้ก็คือว่าจะไม่เข้าด้รู้จักดูใจของตัวแต่ก่อนนี่ก็คิดจตจะโทษสามีว่าเป็นต้นเหตุแห่งความวิวาทบาทหมางแต่พอมาดูใจของตัวเองก็เห็นว่าเออ ใจตัวเองนี่ก็มีส่วนด้วยทำให้อดทนมากขึ้นฟังสามฟังสามีมากขึ้นก็ปรากฏว่าทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นสุดท้ายก็ตกลงว่าไม่ไม่อย่าร้างกันเขาก็บอกดีใจมากเพราะว่าได้ นอกจากจะได้สามีกลับมาแล้วก็ยังทำให้ลูกนี่ไม่ไม่ขาดพอ่อเขาก็ได้อันนี้สูงจากการเจอสติเห็นประโยชน์ว่ามันทำให้ชีวิตหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้ น, นก็เลยามาปฏิบัติอีกก็จะมีเรื่องราบแบบนี้ของหลายคนนะที่เขา ได้ประโยชน์ก็เลยชวนกันมาชวนญาติชวนสามีชวนคร อ, อบครัวมาคนจีนตอนนี้ความสนใจเรื่องสมาธิภาวนา น, นี่มีเยอะมากรวมทั้งการเจริญสติกับหลวงพ่อเทียน ตอนนี้จะว่าไปคนจีนนี่เขาก็มีความกระหายความสงบความสุขที่มันมากไปกว่าวัตถุแต่ก่อนคนจีน30ิปีก่อนก็จะนึกถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องความอยู่รอดเพราะว่า สามสิกว่าปีก่นจีนี่จนมากนะข้าวข้าวดีๆนยอย่างที่บ้านเรากินกันคนเหล่านั้นแทบจะไม่ได้รู้จักเลยข้าวที่ข้าวหักผสมกรวดมีซายผลอันนี้เป็นธรรมดาที่ต้องเจอไม่ต้องพูดถึงข้าวหอมมลินะ แม้ทุกวันนี้นะข้าวของเขาก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับข้าวเมืองไทยแต่ว่าคนจีนตอนนี้เนี่ยเขข้ามพ้นจุดนั้นไปแล้วข้ามพ้นจุดที่ต้องกระเสือกกระสนหาอาหารการกินหาต่อสู้กับความอยู่รอดตอนนี้ประเทศจีนเขก็มีความเจริญต้องเรียกว่ารุดหน้าเมืองไทยไปเยอะทีเดียวนะญาตพี่น้อง ที่เคยรับเงินจากเมืองไทยคนไทยสมัยก่อนนี่ลูกจีนที่มาอยู่เมืองไทยเขาก็จะส่งเงินไ ป, ไปให้กับญาติพี่น้องในประเทศจีนเรียกว่าโกวนแต่ก่อนส่งไปเดือนละปีละสามสี่พันนี่ก็ถือเป็นเงินก้อนใหญ่ของเขาแต่เดี๋ยวนี้สามสี่พันมันไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเขาร่ำรวย คนจีนที่เขาเคยรับเงินจากเมืองไทยตอนนี้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีกันเยอะแ ย, แ ย, แยแะความร่ำรวยนี่ความเจริญการพัฒนาของประเทศเขานี่เห็นได้ชัดมากถ้าเราไปโดยพอทมเมืองด้านตะวันออกกวางโจเซียงให้ปักกิ่งหรือว่าฟูเจนเซ่เหมิน พวกนี้นี่เมืองเขาใหญ่ๆคนประชากรนัน10กบกว่าล้านคนรถไฟความเร็วสูงตอนนี้กำลังแพร่ขยายกันอย่างรวดเร็วมากเมืองไทยนะซึ่งเคยเจริญล้ำหน้าเข้าไปหลายสิบปีนะเมื่อสัก30ิปีที่แล้วนี่เราก้าวล้ำกว่าเขานี่เรียกว่า50ปีก็ว่าเด้ รถของเรานี่ใช้กันเยอะแยะจนรถติดแต่เขานี้ไม่รู้จักรถเจอแต่รู้จักแต่รถจักรยานแต่ตอนนี้เขาไปไกลแล้วไปไกลกว่าเรามากคนชนจีนที่เชฟเหมินหรือว่ากวางโจนี่เขามาเมืองไทยเขาสื่อก็าบอกเมืองไทยเราเหมือนของเขาเมื่อ20ปีที่แล้ว ไปกรุงเทพนะเมืองของข้าวเมาื่20ปีที่แล้วเงินของข้อนี่ก็ใหญ่มากนะเงินหยวนมมนมีใครที่เป็นคนไทยนะที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ช่ำชองเรื่องเมืองจีนมากเขาก็พูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ ก, การให้สินบนนี่ ถ้าจะให้สินบนตำรวจจีนนี่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ทีเดียวไม่เหมือนให้สินบนตำรวจไทยนี่ไม่กี่บาทก็ก็ผ่านได้ญาติของเขาคนจีนมาเมืองไทยตอนที่ศุลกากรจะตรวจกระเป๋าไม่รู้ข้างในมีอะไรแต่คงมีของที่ต้องของในภาษีกันนะ ก็ไม่อยากให้ตํำรวจตรวจไม่อยาเจ้าที่ฝ่ายไทยตรวจก็เลยยื่นเห็ดให้สองหอเจ้าที่ไทยเราก็รับเลยนะแล้ว ก, ปนะวก็ปล่อยให้ผ่านไปให้คนจีนเขาก็มาเล่า ว, ว่าเนี่ยแค่เห็ุสองหอนี่ก็ตํำรวจไทยเจ้าที่ไทยก็ให้ผ่านแนละ้วถ้าเป็นเมืองจีนนี่ไม่ได้เลยนะมันต้องมากกว่า น, นั้นหลายเท่าจะให้เซ็นบนี้ก็ ก็ให้ได้ต่อ ต, ต้องเยอะถ้าหเหตุสองหอนี่ถือว่าดูถูกกันมากนั่นการให้สินบนในเมืองจีนเนี่ยถึงแม้จะทำได้แต่มันต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพราะว่าตอนนี้เงินในเมืองจีนมันใหญ่กว่าเมืองไทยเยอะอันนี้ก็เป็นเกดนาทีมันชี้เห็นว่าความความเจริญทางวัตถุนะของประเทศจีนไปไกลามากไปที่ไหนก็เห็นแต่เมืองใหญ่ๆ ตึกสูงสูงซึ่งหลายเมืองนี่ก็เป็นเมืองที่เหมือนกับลังผู้คนคือคนไม่ค่ยเยอะจะเ็าสร้างเอาไว้ก่อนอาจจะสร้างเพื่อเรียกว่ า, เ, าเพื่อเก่งกำไรก็ได้โดยเพราะไอ้เรื่องตึกนี่ที่ดินมันหายยากเก่งกำไรสร้างเอาไว้เหมือนเมืองไทยเมื่อปีก่อนปี40ก็สร้างตึกสร้างอาคารกันมากมาย ปลดตั้งห้องแถวคอนโดเพื่อเก็นกำไรแต่ว่าพอเศรษฐกิจวิกฤตไม่มีคนซื้อกำลังซื้อตกนะให้ตื่พผู้นี้ก็เลยลางแต่ของเมืองจีนนี่มันก็เขาก็มีความหวังว่ามันจ ะ, ะ, จะเจริญรุ่งเรืองไปได้เรื่อยๆแล ว, ว่าแบบนี้ก็ทำให้คนคนคนจีนนะจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่า ชีตมันเร่งรีบเกินไปชีพมันเครียดเขาก็หลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จทางวัตถุแล้วพบว่ามันยังไม่มีความสุขยังมีความเครียดอยู่เขาก็เลยห <c oughs> ันมาข้อหา <c oughs> ข้อหาธรรมะข้อหาสมาธิภาวนานจริงอยู่ก็มี คนนิยมทาบุญกันเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เคยรู้จักพุทธศาสนามานานตามว่าในชนบทแต่คำว่าชนบทนี่ก็ไม่ใช่หมู่บ้านนะมันเป็นเมืองเอาเรียกเมืองต่างจังหวัดดีกว่า ก็ยังเห็นคนเท่าคนแก่ไปทําบุญกันเดินโอกาสไปที่วัดของท่านเว่หลางในเที่ยนี้พอ7กรรมฐานนี่ก็เรียกว่าเดินตามรอยท่านเว่หลางไปยังหมู่บ้านที่ท่านเกิดซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกวางโจไปวัดที่ท่านอุปสมบทไปวัดที่ท่านแสดงธรรม จนมรณาภาพวัดที่3มรณาภาพนี่ชื่อว่าวัดกัวเอินกัวเอิญก็เป็นวัดใหญ่แต่ว่าอยู่ในในต่างจังหวัดก็บังเอิญไปเป็นช่วงวันวิสาขะของเข้าพอดีทีแรกก็ไม่รู้หรอกกําลังเดินชมสถานที่กําลังเดินพูดคุยกันคุยกับไก่อยู่คุยกับมาคุเท ก็มีอา ม, า, มากวากมือเรียกให้ขึ้นไปที่สาลาคนล้นออกมาข้างนอกไม่รู้ว่าอะไรแต่เขาอยากให้เราเข้าไปเปิดช่องเปิดทางให้เข้าไปในตัววิหารเป็นวิหารหลักของเขาเนาะบางจิงก็จะมีวิหารหลักที่จะมีพระพุทธรูป3มองค์จะหมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ได้ หรือจะหมายถึงพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัมโพกกายนิรมานกายหรือว่าธรรมกายก็ได้มันมีหลายคติเข้าไปก็เห็นเขากำลังรดน้ำอสงน้ำพระพุทธรูปเป็นพุทธเจ้า อ, องค์น้อยน้อยเขาก็ให้เราได้อสงน้ำด้วยก็เลยรู้ว่านั่นคือวันวิสาขะวันที่หหพฤษภา กนบ้านเราหนึ่งอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนแก่ 90% 99% เป็นคนแกนะ่การแต่งกายก็เหมือนกับคนแก่ตามชนบทแต่พอไปอีกวัดหนึ่งวัดก ว, วัดกวงเซีย่ยวซึ่งอยู่ในกลางเมืองกวางโจเลย วันนี้เนี่ยท่านเว่ยหลางมา อ, อุปสมบทแล้วก็มีเขายัางอนุรักษ์ต้นไม้ต้นโผลซึ่งสำคัญที่สุดในประเทศจีนสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นต้นที่เชื่อว่าท่านเว่ยหลางปรงผมใต้ต้นไม้นี้เสร็จ แ, แล้วก็ใกล้ๆ ก, กันก็มีเจดีเจ็ดชั้นเล็กๆ เล็กๆนี่ก็ประมาณ5เมตรนะสูง5เมตรเชื่อว่าเป็นที่เก็บเส้นผมที่ท่านเว่ยหลางได้ปร่งเอาไว้วันนี้เป็นว่าสําคัญเพราะว่าท่านเว่หลางเพราะามีชื่อในตํานานแล้วพวกเราถ้าศึกษาประวัติของท่านเว่หลางก็จะได้ฟังเรื่องราวตอนหนึ่งนะคือตอนที่ท่านเข้าไปในเมืองกวางโจแล้วไปที่วัดนี้ตอนนั้นกำลังมีการสแสดงธรรมขณะที่ ครูบาอาจารย์กำลังแสดงธรรมลูกศิษย์ก็ซึ่งคงมีมากมายลูกศิษย์ที่ยืนอออยู่ข้างหลัง บ, บางเงินไปเห็นธงเป็นธงทิวพริวสบัดคนนึงก็บอกว่าธงไหวอีกคนก็นบอกไม่ใช่ธงไหวลมไหวต่างหากที่แรกก็เชียงกันสองคนตอนหลัง 2คนก็กลายเป็นสองกลุ่มโตเทียงกันอย่างเผ็ดร้อนว่าทงไหวหรือว่าลมไหวกันแน่ท่านเวลานะันซึ่งตอนนั้นเพิ่งมาถึงใหม่ๆก็เลยพูดสวนมาเลย ว, ว่าจิตของท่านต่างหากที่ไหวคนที่ได้ฟังก็อึ้งเลยนะเงียบเลยเพราะว่าทำให้ได้สติขึ้นมาเล ย, ยคือเอาแต่เถียงกันว่า ลมไหวหรือทงไหวแต่ลืมดูใจตัวเองเรียกว่าส่งจิตออกนอกลืมดูใจของตัวอันนี้เป็นตอนที่มีชื่อมากนะเป็นตอนสำคัญตอนในึ่งในปอยของท่านเวยหลังกทิวัดกวงเซียวนี่แหละอยู่กลางกรุงกวางโจวนี่คือเหตุการณ์เมื่อพัน0กว่าปีที่แล้วนะ วัดนี้เนี่ยปรากฏว่าก็ยงมีคนหนุ่มคนสาวมามามาทำบุญนะ okay. ไม่ได้ทําบุญให้วัดเปล่านะมาทําบุญให้กับพระไทยด้วยเห็นพระไทยมาก็าก็ถวายถวายปัจจัยเป็นอ่างเปานะอันนี้ก็เป็นก็ได้มาเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวเขาก็สนใจธรรมะหรือสนใจาศาสนาไม่ใช่ที่วัดกวงเซี่ยวฉะนั้นนะวัด วัดของท่านโพธิธรรมวัดที่ท่านโพธิธรรมหรือว่าตักหมอท่าโพธิธรรมนี่คือพระชาวอินเดียที่นําเอาลทัทธิเอาพุทธศาสนาแบบเซนหรือแบบฉานเนี่ยภาษาจีงเขาเรียกว่าฉานก็คือฉานนั่นแหละเซนอันนี้เป็นคําญี่ปุ่นเขาฉานนี่เป็นคําจีนมันก็มาจากฉานก็คือภาษาบาลีท่านโพธิธรรมเนี่ยมา มาแตะพื้นมาแตะแผ่นดินจีนเป็นครั้งแรกก็ตรงวัดนี้แหละคือเขาสร้างวัดนี้เพื่อเป็นระลึกถึงที่ท่านโพธิธรรมได้มาเหยียบแผ่นดินจีนเป็นครั้งแรกนั่นคือเหตุการณ์เมื่อพันสี่ร้อปีก่อนก็คือประมาณร้อยหกิปีก่อนท่านเว่หล่ะของเมืองจีนนี่โบราณสถานขขานี่เป็นพันๆปีทั้งนั้นนะ แผลสองอปีนี่ถือว่าสั้นมากสำหรับเขาก็ที่วัดนี้นะก็มีคนจีนะมีชาวมีหนุ่มนะมีหนุ่มสาวชาวจีนมามาสวดมนต์มาทำบุญเหมือนกันที่ตรงวิหารอารหันต์ห้ารอยนะอรหันต์ทองคำห้าร้อยรูปนะเขาเป็นวิหารที่ก็ททำ อย่างพิเศษเลยก็มีคนหนุ่มสาวมาสวดมนต์มาทำบุญอันนี้ก็แสดงเห็นถึงความสนใจของคนจีนนะทีะ่เห็นว่าศาสนาเนี่ยมันนะเป็นที่พึ่งทางใจได้หรือสามารถจะเป็นคำตอบของชีวิตได้ก็เป็นเป็น <c oughs> เป็นปรากฏการณ์ที่ เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เมืองจีนเ้าปฏิเสธศาสนามาในช่วงคอมมิวนิสต์สมัยที่เขาปฏิวัติใหม่ๆนะตั้งแต่ปี2492ตอนที่เขาปฏิวัติคอมมิวนิสต์ได้แล้วเาก็เริ่มปฏิเสธศาสนาเป็นเวลายาวนานนะถึง30ปี40ปีปฏิเสธแบบทำลายเลยนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธแบบ ไม่สนใจอย่างเดียวแต่ทําลายด้วยทำลายวัดวาอารามต่างๆโดยเพราะในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือประมาณประม1 9, 9 1 0นะ40ปีที่แล้วก็ทําลายมากรวมทั้งทําลายของเก่าของแก่คำพีโบราณทําลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับลัทธิของจื้อพราะเขาต้องการสร้างประเทศให้เป็นประเทศใหม่ โดยการปฏิเสธของเก่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของมาเจอตรตงนะแต่ก็ทำไม่สำเร็จนะก็ะคือว่ามนุษย์เราเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ต้องการศาสนาแม้ว่าจะผิวโหยยากจนกระเสือกระสนจนมีกินมีใช้และถึงขั้นร่ำรวยแต่สุดท้ายก็พบ ว, ว่าวัตถุนี้มันไม่ใช่คำตอบ ก็หันมาสนใจาศาสนาแต่ความสนใจาศาสนาก็มีหลายแบบนะที่สนใจเอ า, าศาสนาเป็นที่พึ่งด้วยการทำบุญนะสักการะหวังอำนาจดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังาการดนบันดาลของพระพุทธเจ้าที่เขาเชื่อว่าจะหรือพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่เขาเชื่อว่าจะ อำนวยความสุขสวัสดีให้แบบนี้ก็มีคนแก่ๆก็ก็หวังพึ่งศาสนาในแง่นี้เยอะคนหนุ่มก็เช่นเดียวกันซึ่งมันก็จำเป็นนะสำหรับคนที่พอชีวิตนี่มันขาดความมั่นคงแล้วพึ่งพาอะไรไม่ได้เศรษฐกิจก็ผันผวนอนาคตก็ไม่แน่นอนหรือว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นก็ต้องหันมาพึ่งศาสนาหัานมาทาบุญ มีวันหนึ่งนะช่วงที่อยู่กวางโจกำลังจะขึ้นเรือเพื่อไปล่องแม่น้ำแม่น้ำไข่มุกตอนนั้นก็เย็นแล้วก็กำลังจะขณะที่กำลังรอเรืออยู่ก็เป็นเหลือเพ็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสวดมนต์ส่วนอีกผู้ชายคนหนึ่งท่าทางจะเป็นน้องชายก็กำลังเอาตักตักปลาตักปลานะปล่อยลงแม่น้ำ แล้วเขเรียกว่าปล่อยปลาจะเรียกว่าปล่อยปลาไม่ได้นะเพราะว่าเพราะปลามันเยอะมากปลานี่ใส่ใส่เข่งใส่ใส่เข่งก็ประมาณสักสามสิบโลได้บางปลาปลาดุกทั้งนั้นหลายร้อยตัวทีเดียวผู้หญิงก็สวดมนต์ไปส่วนผู้ชายก็ปล่อยปลาตักปลาตักกันอย่างจริงจังมากเห็นเราก็ชวนให้มาร่วมทําบุญด้วย รวมตักปลากับเขาไม่เคยเห็นใครปล่อยปลามากขนาดนี้นะคือเป็นร้อยร้อยตัวสามสิบนสะี่สิกิโลถ้าเป็นเงินก็คงจะหลายพันอาจจะเป็นหมื่นก็ไดนะ้เพราะปลามันก็แพงเหมือนกันถ้าคนจีนนี่เวลาทำอะไรนี่ทำจริงจังมากปล่อยปลาสี่ห้าตัวสิบตัวนี้เขาไม่ทำนะฮะเขาปล่อยกันเป็นร้อยรอยตัว เป็นสิบสิบกิโลเลยนันนี่ก็ก็เป็นบุญตาที่ได้เห็นนะว่าความความศรัทธาในในบุญกุศลนะหรือความเชื่อมั่นในบุญกุศลนี้มนะันก็กำลังกลับคืนมาสู่นะชาวจีนแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวอ่อทั้งสองคนก็ยุ่ไม่มากนะอายุสักประมาณ20กว่า30ต้นต้น แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ทำไม่ได้แค่เพียงทำบุญหรือว่าปล่อยนอกปล่อยปลาแต่ว่าหันมาทำสมาธิภาวนาแล้วก็ทำกันจริงจังไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่ให้จิตใจสงบภายรุ่มร้อนเพื่อได้กลับไปใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้เท่านั้นแต่ยังเพื่อมุ่งหวังความหลุดพ้นด้วย นะก็มีจํานวนไม่น้อยที่เชื่อในเรื่องนิพพานเชื่อเรื่องความหลุดพ้นะแล้วก็เชื่อว่าสมาธิภาวนาหรือว่าการเจริญสติแบบหลงพ่อเทียนเนี่ยจะช่วยได้นะก็หลายคนนะก็ได้อา น, นิสงสนะ์จากการเจริญสติอา น, นิสงส์หลายอย่างก็เป็นอา น, นิสงส์ในทางโลกนะเช่นช่วยทําให้ใครเครียดช่วยทําให้ทํางานได้อ่านหนังสือหรือศึกษา ศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีสติไม่วอกแวกช่วยทำให้อยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขไม่ทะเลาะเบาแวงกันอันนี้เรียกเป็นประโยชน์ทางโลกประโยชน์ทางโลกคือประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพครอบครัวการงานแล้วก็การทำมาหากินแต่ว่าธรรมะของพเจ้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นแต่ว่ามีประโยชน์สูงกว่านั้นด้วย ก็คือเพื่อมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นมันอยู่ที่ว่านะจะเอาคำสอนของพระเจ้าหรือไม่แต่การเจริญสตินี่ไปใช้อย่างไรในสายพุทธการเนี่ยนะก็เคยมีตัวอย่างอย่า ง, างพระเจ้าป ร, ระสิทธกศลพระเจ้าประสทิทธกศลเนี่ยวันนึงก็ไม่ไปเฝ้าพระเจ้าแต่ว่าจะกราบจะกรมนี่ก็รู้สึกอึดอัดมากเพราะว่า เพราะว่าอ้วนนะกินอาหารเยอะก็ป่าวรบเรื่องนี้กับพระเจ้านะเป็นคนที่เจริญอาหารมากนะพระเจ้าก็เลยก็เลยกล่าวเป็นคาถาบอกว่าบุคคลผู้มีสติผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณในการบริโภคนี่ จะจะมีอายุยืนแก่ช้าเวทนาจะเบาบางพระเจ้าปรสินตโกศลฟังก็ชอบใจมากก็เลยให้มหาเล็กจำเอาไว้แล้วก็ท่องคาถานี้เวลาตัวเองเนี่ยกินอาหารเพื่อเตือนสติไม่ให้กินมาก ราษาสั้นๆท่านเองพูดมีสติอยู่ทุกเมื่อนะยอมรู้ประมาณในการบริโภคเวทนาย่อมเบาบ า, บางแก่ช้าอายุยืนเมื่อจะประสิทธิี่กุศลก็ทำตามนะทุกมื่อก็มีคนมาเตือนสติให้ชั้นแต่พอดีไม่นานนะสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักก็ลดลงเดินเหินก็สะดวกเห็นชัดเจนเลยว่าเออจริงนะ เวทนาเบาบางนะแล้วก็อายุยืดนี่ไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นก็เลยไปทูลพระเจ้าสารเสริญพระเจ้าเนี่ยว่าคําสอนของพระเจ้านี้เนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องทางลงและเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์เบื้องหน้านี้ก็รวมถึงการพ้นทุกข์ด้วย การตัวสติเนี่ยมันใช้ได้ใช้ใช้ประโยชน์ได้แม้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องพื้นพื้นในการดาเนินชีวิตเช่น้าขับรถมีสติทำงานมีสติความผิดพลาดอุบัติเหตุมันก็ไม่มีนะถ้ากินอาหารยงมีสตินะก็จะไม่มีโรคไม่มีภัยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางโลก เป็นประโยชน์ปัจจุบันจะใช้คำว่าทิฏฐธรรมิกธรรมแต่ถ้ามองว่าการเจริญสติมีเพียงเท่านี้มีประโยชน์เพียงเท่านี้อันนี้ก็เรียกว่ามองแคบไปหรือแม้จะมองว่าการเจริญสติมีไว้เพื่อช่วยลดความเครียดแก้ความเครียดทําให้จิตใจหายพุ่งสร้างอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นของการเจริญสติหรือสติปัฏฐาน แท้จริงแล้วเนี่ยสติเนี่ยสามารถที่จะมีคุณค่าถึงขั้นทำให้จิตหลุดพ้ น, นจากความทุกข์ได้ด้วยนะอันนี้เรียกว่าเป็นสัมประยิกาถะหรือปรมามัตถะคือประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดจัดย้ำนะตอนที่พระเจ้าได้ปรงอายุสังขารเนี่ยฉันปรรงสามเดือนก่อนที่จะปรรยญิพาน ตอนที่โปรงนี้ก็เลยมีอาการอาภาษณ์นะมีความป่วยไขย้เห็นแล้วร่างกายก็ชราผิวนะหนังก็เหี่ยวยน่นพอปรงมา อ, าอายุสังขารนี่พระที่รับรู้ก็เสียใจนะมีบางท่านก็ร้องไห้คร่ำครวญนะมีส่วนน้อยนะทีะ่ตั้งตั้งจิตอยู่ในความไม่ประมาท พระเจ้าเมื่อเห็นพระจํานวนไม่น้อยเนี่ยเศร้าโศศเสียใจนะก็ก็เตือนให้ตระหนัก ถ, ถึงความไม่เที่ยงของสังขารและทางกรตาบัดเนี่ยจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งแล้วพระองค์ก็ขยายความมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นเกาะธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างไรพระองค์ก็อธิบายต่อว่า ไปว่าก็คือการที่หมันเจริญสติปัฏฐาน4ี่นะทางกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาะธรรมานุปัสสนาในหลวงก็ย้ำว่าถ้าพิสุหมันเจริญนะสติปัฏฐาน4นะละความพอใจความไม่พอใจในโลกได้เนี่ยก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่หลวงย้ำในใน ในช่วงที่ทรงเนี่ย p r o อายุสังขารแล้วก็เป็นการเตือนสติให้พระทั้งหลายได้เป็นคุณค่าของสติปัฏฐานในพวกเราเจริญสติเนี่ยนะมาเจริญสตินี่ก็พยายามมองให้เห็นถึงอันที่ส่งที่ที่สูงส่งนะของการเจริญสติอย่าคิดว่าเจริญสตินั้นเพียงแค่ช่วยทำให้อ่ ทำงานได้ดีความเครียดลดลงช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นอันนั้นมันยังเป็นประโยชน์ชั้นต้นเป็นประโยชน์ชั้นเรียกว่าพื้นฐานถ้าระหวังประโยชน์เพียงแค่นี้หรือมองเห็นประโยชน์เพียงเท่านี้ก็ถือว่ายังใช้ประโยชน์จากสถิติประธานได้น้อยมากจะต้องมองไปถึงขั้นว่าใช้สถิติประธาน4ในะเพื่อช่วยให้ เพื่อยกจิตให้ให้เกิดปัญญาที่ทำให้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมจนจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้้ถ้าเราอมองเห็นประโยชน์ของการเจริญสติแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เห็นคุณค่าของสติปัฏฐานสีได้อย่าง ถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อเห็นแล้วนะเราก็ทำความเพียรทำความเพียรให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราการมาเข้าคอร์สอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหรือเพื่อรู้จักการปฏิบัติให้ถูกหลัก เสร็แล้วก็นําไปใช้กับการดําเนินชีวิตให้มันกลมเกลืนไปกับชีวิตประจําวันไม่ใช่เพื่อให้การดําเนินชีวิตประจำวันมีความจบเท่านั้นนะแต่เพื่อทําให้เกิดปัญญาสามารถจะเห็นถึงความจริงของชีวิตขั้นปรมัตารย์ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาคํานี้ก็เปลื่อนทันใดนะกลับมาพร้อมกัน